ทำวัดเจ้าเสร็จแล้วก็พวกเราก็ก็ทำสมาธิได้ดีจากการสวดมนต์ตนเจ้าตนเย็นก็บรรยากาศมสดชื่นเบิก จิตใจสวรางไสวแม้ว่ายามมืดอยู่แต่จิตใจก็สว่างได้แม้ว่าร่างกายสุขภาพก็ แบ่งบ้านหรือแกลเจ็บหรือแกลเจ็บเกิดขึ้นแต่ว่าเราก็ายิดใจปลุกปั่ปนได้เพราะว่ากายกับใจก็เป็นส่วนคนส่วนส่วนคนละยอย่างกัน กายเป็นส่วนหนึ่งใจเป็นส่วนหนึ่งถ้าเรามีสติรู้ว่าเป็นกายเป็นอาการใจเกิดอาการเราก็รู้ว่าเป็นเจ น, นังเอง ถ้าไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นท่าของอาการตั้งหลายอยู่เป็นจัดปัจจุบันไม่คิดผลสร้านอาการเกิดเป็นธรรมชาติเราแค่เห็นมัน แหงกายแหงใจคิดไปนีไปโน้มอดีตไปบ้านอนาคตบ้านแต่ถึงกลับมาได้อยู่กับปัจจุบันปัจจุบันนี้ก็ก็ไม่มีอะไรไม่มีความทุกข์ ความเศร้าโศมอยู่ยางสงบกรเสมสุขอยูเป็นสมาธิก็เป็นอนิสงส์การเจริญภาวนาการเจริญสติ กิจุึงสร้างก็ไม่เป็นไรเราก็รู้ก็กลับมาได้แม้ว่าเป็นมืดก็ให้จุดไฟสวา่างก็เหมือนกันของเรามีหวัน ฝันกันเรื่องนี้เรื่องนั้นเกิดโรคเกิดโทสะโมหะเกิดจีจาริสยาก็ไม่เป็นไร เราดึงกลับมากลับมาอยู่ปัปจจุบันให้เห็นชัดว่าเป็นทุกข์เป็นสังขารเป็นทุกข์แตว่าไม่ใช่เป็นทุกข์แก่เห็นทุกข์ เราเห็นทุกแล้วก็รู้สาเหตุทาให้เกิดทุกเห็นสาเหตุได้แล้วก็จะไม่เป็นทุกเป็นหมดทุกรู้จักมิติอยู่แล้ว องตามเป็นอมมาองเปดก็เราไม่ต้องเป็นธาตุของมันธาตุของทุกทุกเป็นธรรมชาติแต่เราไม่ใจเป็นคนทุก์อยู่อย่างสบายสบายได้ตางจิตใจ ก็มีโอกาสทุกกลมก็มีสิทธิที่จะดับทุกได้ทุกกลอยูอยังมีความสุขได้นงว่าเป็นอะไรก็ เกิที่กายที่ใจทำไมใจเป็นธาตุของมันอยู่อย่างสบายสบายเรามีทุกขเวทนาก็เกิดขึ้นสุขเวทนาเกิดขึ้น ถูกกมาสุดขอบเขตนะกุーー๊กในปัตชุบันนี่ปัตชุบันกันนะไม่ใกนังที่นกนใจเราไม่ต้องว่าตานนนนั้นไม่ต้อง ว่าเขาทำลายเราชั้นโทรมานก็ว่าไม่อนได้เพราะว่าเราคงเป็นเจ้าของของชีวิตจิตใจของเราเองไม่เป็นทาของเขาหรือสัตว์บุคคล ก็เป็นสระสระแท้นี่ก็ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่งกับจิตใจของเราเองมีอะไรเกิดขึ้นม่ใจเป็นสาเหตุมาจากด้านโน้ก เกิดที่ใจเราก็เลยเห็นเห็นว่าเป็นอาการเป็นว่าเป็นวัตถุก็เก่เห็นไปเรื่อยๆก็เกิดไม่ได้เกิดตั้งเอาปตาัตน แกรู้ตาตาหูจมกูกกลิ่นกายใจว่าเป็นอาการเป็นยินสีหาเกิดขึ้นอยู่ยังสบายสบายได้แม้ว่าเป็นอาการเกิดขึ้นไหน จ, จิตใจตั้มมัน่น เราเข้าใจว่าเป็นอย่างนี้อย่างนั้นก็เป็นสิทธิที่จะดับทุกไปนิปานทุกคนทุกคนให้กลับมา กลับมาอยู่ที่นี่อยู่ปัจจุบันถ้ามีสติก็ปลอบไปไม่อันตรายปลอไปเห็นอะไรก็ปลอบไปได้ยินเสียง อะไรจากด้านนอกเพืออื่นว่าดาเราก็เราก็ก็แก้ได้ยินฟันแต่สิ่งที่มีประโยชน์สาคัญก็เอามา ใช้เป็นประโยชน์ชีวิตก่อนเราถ้าไม่ประโยชน์ก็ไม่ต้องว่าดาโตสูอไปไ ม, อไม่ได้ไม่ได้กดกีไม่ได้ทะระออกเตียงไม่ตอนนี้จากมัน เ okay, ราแค่รู้รู้ว่าเป็นอาการจิตใจเป็นยังไงว่าเป็นทุกข์ไหมรู้ว่าไม่ทุกข์เวตนาเกิขึ้นยังไงออกจากทุกข์ได้ในปัจจุบัน ออกทุกนีก็มีสาเหตุทุกครั้งเราดับมันแล้วก็ทุกก็ดับไปแป็งกฎธรรมชาติกฎธรรมอยู่เป็นอิสระจากมันได้ แต่ถ้าเราเป็นเป็นว่านี่เป็นว่านั่นเป็นบุคคลสัตว์อะไรก็มันก็เป็นท่าของมันก็ทึกก็เกิดมาทันทีความมีสุระหายไป ก็พวกเราก็วฝ้ดูจิตใจท่ารดเวลาเป็นดูวว่าเป็นอะไรจิตใจเกิดขึ้นเป็นอะไรเวตนาเกิดขึ้นอย่างไงอาการ กายวาจาใจเราก็ชวิตวิญามีชีวิตวิญาณอยู่กับปัจจุบันขณะตลอดอะไรก็คึ้นก็ปัจจุบันขณะเราแก้ไขได้เลือกความสุข ได้ไม่ต้นเลือกความทุกข์เราอยู่เลือกกิรสระได้ก็ชีวิตก็เลือกได้ตลอดถ้าเรามีสติมีสติอยู่กับปัจจุบันปัจจุบัน ที่ไปอดีตไปก็กลับมาปัจจุบันภปอนาคตก็กลับมาปัจจุบันไปที่อื่นจิตใจล้อมไปล้อมทานให้กลับมาไม่เป็นได้ อยางเป็นปกติปกติ ก, สกต็สุกดีสงบดีปลอไปดีฮิสระดีสงบสว่างสะอาดจิตใจตลอดได้ถ้าเรามีสติ สตินี่ช่วยได้มากแก้กายได้รักษาได้เจริญได้เจริญชีวิตเจริญกิจการสติเข้าใจ ธรรมะเรียส as ัตวีก็ดีอาวุธชีจะสัมปบาทก็ดีเข้าใจธรรมะมากขึ้นนิ่งขึ้นก็เป็นชีวิตมันเจริญ จะเริ่มืนมาปนนิปานแต่เราไม่ต้องวันมาปนนิปานจะมาเมื่อไหร่นี่ก็เป็นผมเราก็เอาแต่ทาในปัจจุบันเป็นหน้าที่ของเราก็ ทำดีทางกายทางวาจาตาใจในปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะพูดดีทมดีคิดดีไม่ได้เบียดเบียนพื่นสัตว์อื่น ก็ช่วยเรือมีความทุกข์ที่ไหนก็ช่วยเรือรักษาแม้ว่าตัวเองก็ดีพื้อื่นก็ดีมีเมตตาการุณามุติตาเวกา ช่วยกางก็ดีไม่ได้เวียบเพียนให้ต้องทะละว่าแวงกันอ็ชีวิตของเราก็อยู่ยานเป็นมิตรมิกับตัวเองมิกับเพื่อนมิกับโลก ก็จิตใจตัวเองและพื้ อ, อื่นก็รู้สึกอบุญใจรู้สึกมีความสุขใจทุกกองก็หวันอยู่ว่าอยากเป็นความสุขด้วยกัน แต่ว่าลืมไปบ้านหรือว่ายึดมั่นถือมัน่นแับที่ตีเข้าดีพีติกลางเข้าดีหรือว่าวัตถุข้าดีเป็นตัวเป็นตนตาปตางยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ก็มีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างหุ่วหายกัน ให้มีสติกลับมาก็หายไปสิ่งที่วุ่นวายตานใจตานอา่กับเพื่อนก็นี่แหละสตินี่เป็นอะไรส่ได้มากช่วยได้บ้านมาก ก็น้าที่ของเราที่อยู่ที่นี่ก็อโห่ให้ปฏิบัติรู้สึกตัวรู้สึกตัวแล้วก็ทำดีขยานอดทนได้แล้วก็รู้สึกตัวรู้สึกตัว ให้เข้าใจเป็นชีวิตเป็นยังไงเป็นธรรมะธรรมะอยู่แห่งอยู่ที่กายอยู่ที่ใจเราเป็นโรค ก, ก็อยู่ที่กายอยู่ที่ใจเราให้ดูให้เห็นสัมปัด ให้เข้าใจความจริงนะครับข้อผอสมกุ้งเยาเวลาเจ้านี้ก็จบธรรมะเพียงแค่นี้ต่อไปก็กาปะพร้อมกัน